วิธีขอสิกขาสมมุติและกรรมวาจาให้วุท ธ, ธานสมมุติหญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปีผู้ศึกษาสิกขาในธรรมบทข้อตลอดสองปีแล้วนั้นพึงก็้าไปหาสงฆ์อมปุตราสงช่วเหียงบาข้างหนึ่งกราบเทา้าภิกษุณีทั้งหลายนั่งประยมประนมมือกล่าวว่าแม่เจ้าดิฉันชื่อนี้เป็นหญิงที่มีครอบครัวของแม่เจ้าชื่อนี้มีอายุครบ12ปี ได้ศึกษาศิษยาในธรรมข้คตลอดสองปีแล้วขอวุฒิธานสมมุิต่อส่งพึงขอแม่ครั้งที่สองพึงขอแม่ครั้งที่สภิพิษณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ทรงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่า 1,102 แม่เจ้าขอทรงจงฟังข้าพระเจ้าหญิงชื่อนี้เป็นหญิงที่มีครอบครัวของแม่เจ้าชื่อนี้มีอายุครบ12ปี ได้ศึกษาสิกขาในธรรมบข้อตลอดสองปีแล้วขอวุฒานสมมุติต่อสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงให้วุฒานสมมติแก่หญิง ช, ชื่อนี้เป็นหญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปีผู้ดได้ศึกษาศิกขาในธรรมบข้อตลอดสองปีแล้วนี่เป็นยติแม่เจ้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าหญิงชื่อนี้เป็นหญิงที่มีครอบครัวของแม่เจ้าชื่อนี้มีอายุครบ12ปี ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหข้อตลอด2ปีแล้วขอวุฒานสมมุติต่อสงฆ์ทรงให้วุฒานสมมุติแก่หญิงชื่อนี้เป็นหญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปีผู้ได้ศึกษาศิกขาในธรรมหกข้อตลอด2ปีแล้วแม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการให้วุฒานสมมติแก่หญิงชื่อนี้เป็นหญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปีผู้ได้ศึกษาศิกขาในธรรมหข้อตลอด2ปี แม่เจ้ารูปนั้นพึงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นพึงทักท้วงพุฒานสมมุดทรงให้แก่หญิงชื่อนี้เป็นหญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบสิองปีผู้ได้ศึกษาสิขาในธรำหกข้อตลอดสองปีทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้พระผู้มีพระภาคครั้นทรง ตำหนีภิกษุณีเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วตรัสโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยากแล้วรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้